ย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นคึกขนองมีโรงพยาบาลร้างชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้สาเหตุที่ปิดตัวและปล่อยให้รกร้างชาวบ้าน ล, ละแวกนั้นเล่าว่าค่ารักษาพยาบาลแพงบ้างบ้างก็บอกว่ามีผู้หญิงกระโดดตึกตายคนไข้โดนผีหลอกบ้างเลยพากนันหนีออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลยสาเหตุไม่ค่อยแน่ชัดแต่ที่แน่ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบอกว่าที่ตึกด้านหลังนี้มักจะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้หล่นลงมากระแทกหลังคาตึกด้านล่างบ่อยๆในช่วงเวลาเดิมๆเสียงดังมากแต่ก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งเคยมีคนเห็นผู้หญิงกระโดดจากระเบียงห้องลงมากระแทกกับหลังคาตึกชั้นล่างเสียงดังสนัน่นแต่มันก็เป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมาที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ พอพวกผมได้ยินเรื่องเล่าอะไรแบบนี้ก็ไปกันเลยของแบบนี้อยากรู้อยากลองเป็นธรรมดาตอนนั้นประมาณหกโมงเย็นได้พวกผมไปกันห้าคนแต่พอไปถึงหน้าโรงพยาบาลกลับโดนยามไล่ออกมาแต่ด้วยความที่อยากรู้จริงๆผมเลยถามจากพี่ยามว่าที่ชาวบ้านเขาเล่ามาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าดูพี่ยามเกก็ชอบเรื่องแบบนี้เล่าเป็นตุเป็นตะ แกเล่าว่าทุกครั้งที่แกมาเฝ้าเวนแกจะเอาเครื่องเส้นเข้าไปไหว้ที่ตรงประตูเลื่อนทางเข้าโรงพยาบาลทุกครั้งมีอยู่วันหนึ่งเกิดลืมเครื่องเส้นแล้วก็เผลอหลับไปในป้อมยามแต่จู่ๆก็ต้องสะดุ้งตืง่นเพราะเสียงเคาะกระจกดังเคาะแบบกระจกแทบแตกแต่พอออกไปดูกลับไม่มีอะไรเลยเลยกลับเข้ามาจะนอนต่อแต่สายตาก็ไปสะดุดกับเงาที่กระจกหน้าต่างบานเกรดสะท้อนเห็นเป็นลุงแก่ๆ หลังคอมเดินอยู่ข้างนอกแต่พอออกมาดูก็ไม่มีใครก็เลยนึกขึ้นได้ว่าคงลืมเอาเครื่องเส้นไปไหว้และพี่ยามก็เล่าอีกว่าทุกๆวันช่วงบ่ายๆจะได้ยินเสียงดังเหมือนอะไรหล่นลงมาจากตึกกระแทกกับหลังคาข้างล่างจนวันหนึ่งพี่ยามก็ได้เห็นกับตาตัวเองนี่แหละเป็นผู้หญิงใส่ชุดคนไข้กระโดดลงมาพวกผมดูยามแกเล่าไปเหมือนแกจะเจอมาจนชินแล้ว และพี่ยามก็บอกว่าแกไม่กลัวพอเราจบพี่ยามก็นัดพวกผมว่าพรุ่งนี้ตอนเที่ยงพวกมึงมาใหม่เดี๋ยวกูพาเข้าไปสำรวจข้างในตอนนั้นนี่พวกผมได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีวันต่อมาพวกผมก็มากันอีกคราวนี้มากันเกือบสิบคนเลยตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงกว่าๆสิ่งแรกที่เห็นคือเครื่องเส้นไหว้หลังประตูเลื่อนพวกผมก็ไหว้กัน และบอกว่าไม่ได้มารบหลูแค่มาสำรวจเฉยๆพี่ยามแกไม่รอช้าเดินไปเปิดสวิตไฟตึกก่อนเลยแต่ตอนนั้นมีเพื่อนผมสี่คนกลัวไม่กล้าเข้าไปเชื่อไหมครับข้างนอกแดดเปรี้ยงร้อนมากๆเงื่อไหลแต่พอเข้ามาในตัวตึกบรรยากาศกลับเย็นยะเยือกวังเวงชวนขนลุกไปทั้งตัวเพราะไฟเปิดติดได้อยู่เพียงแค่ไม่กี่ดวงเลยค่อนข้างมืดพี่ยามพาพวกผมขึ้นไปชั้นสอง โดยใช้บันไดหนีไฟเดินสำรวจไปเรื่อยๆอยากจะบอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างยังวางไว้เหมือนเดิมเพราะแทบไม่มีใครได้เข้ามาเลยพี่ยามพาพวกผมมาห้องหนึ่งแล้วชี้ไปตรงคราบดำๆแล้วพูดขึ้นว่าเห็นรอยนั้นไหมมันคือรอยเลือดนั่นเองแต่เคยมีคนว่าเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกผมเลยถามยามว่าห้องนี้ห้องอะไรพี่ยามก็ชี้ไปที่ป้ายที่ตกอยู่ที่พื้นเป็นป้ายห้องล้างศพ พอทุกคนเห็นเท่านั้นแหละครับหยุดชะ ง, งักทันทีและจูๆ่ๆมีเพื่อนคนนึงยืนตัวสัน่นร้องไห้อยู่กับที่ถามอะไรก็ไม่ตอบพวกผมเลยตัดสินใจกลับออกมาดีกว่าแต่ยังไม่ทันจะลงบันไดเลยก็ได้ยินเสียงดังเหมือนอะไรสักอย่างหล่นลงมากระแทกพื้นอย่างแรงข้างนอกพวกผมทุกคนวิ่งหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตเพื่อนที่ไม่ได้เข้าไปถามว่าตกใจอะไรกันผมก็ถามมันว่ามึงไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เหรอเสียงดังมาก มันบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจากนั้นพวกผมก็รีบพากันไปจากที่นั่นทันทีเลยครับผมแวะไปร้านนั่งกินข้าวกันหลังจากที่ตั้งสติกันได้ผมเห็นเพื่อนที่มันร้องไห้ยังนั่งซึมตัวสั่นอยู่เลยถามมันว่าเป็นอะไรไปเห็นอะไรมามันบอกด้วยน้าเสียงสั่นๆว่าระหว่างที่พวกมึงเดินสำรวจห้องล้างศพอยู่กูหันไปมองกระจกเห็นพี่ยามไม่มีหัวว่ะพวกผมได้ฟัง ข้าวจะพุ่งเลยครับคนลุกแปลบขึ้นมาทันทีจนสุดท้ายได้ผ่านไปแถวนั้นอีกก็คงจริงอย่างที่เพื่อนผมเห็นละครับที่นั่นไม่เคยมียามเลยตั้งแต่มันปิดร้างมานี่ขนาดกลางวันแสกถ้าเป็นกลางคืนจะขนาดไหนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b s c r i b e เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ